ที่พวกเราจะศึกษาได้อย่างหลวงพ่อเหมือนกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวมาหลวงพ่อก็ฟังฟังจากนั้นก็มีความเชื่อเชื่อในท่านผู้ปฏิบัติจากนั้นเราก็ค้นคว้าศึกษาส่วนประกอบตามพระไตรปิฎกหรือหลักธรรมคาสอนจากนั้นก็ฟังจากครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ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 ตู้เขายาวไะจูงประเจนไหนก็เดินตามหลังไปที่นั่นไงแต่ควายก็บางครั้งมันกบแปลกอย่เหมือนกันนะเพอเอๆไปชนหลังเจ้าของอีต่างหากขิดเจ้าของอีกต่างหากเพราะเหตุอะไรเออเพราะว่าเจ้าของจูงไปชลาใจเนี่ยเปิรเพอเลยเนี่ยพวกควายที่ที่จูงไปเนี่ยไม่เชื่อกับไม่เชื่ออย่างรื้อขึ้นมาเนี่ยก็เลยขิดขิดเจ้าของเจ้าของชราใจ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 ตรงนี้หมดวิชาแล้วอย่างภาษาไรบุตรท่านได้ทุกศิษย์มาท่านก็สอนให้ภาวนาอย่างนี้อย่างนี้นะลูกศิษย์ก็ภาวนาภาวนาไม่ได้กลับไปหาอาจารย์ดิผมภาวนาครับอาจารย์เออเอาสอนทีนี้อกีกไปไปภาวนาไปอีกไปภาวนาอีกกลับมาอีกไม่ได้ครับสอนละเอียดอีกจนะเนี่ยมันทําไมมันโง่นักว่า สอนให้ละเอียดไปไปภาวนาไปอีกคราวนี้กำชับพระอีกทีนี่กำชับพระในถิ่นนั้นที่เป็นลูกศิษย์จับตาดูนะบ่สอนไปแล้วมันเป็นนอนอยู่หรือเปล่าแล้วก็มาทวงทวงผลมันเป็นนอนอามือกายหน้าผากแต่ละวีละวันมันจะเห็นผลอะไรถ้ามันไปนอนอยู่นั่นมันไม่ได้ภาวนามันไม่ได้ยังกรมมันมีแต่ไป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 เราก็หมดปัญญาว่ะปะเราจะพาไปกราบพระพุทธเจา้านไปกราบต้นสัจจะที่ท่านประทานกรรมฐานให้กับเราเนียป่ะในนาพระองค์นั้นไปพอนําพระองค์นั้นไปเท่านั้นะพระพุทธเจ้ามองเห็นกราบทูลพระพุทธเจา้าบอกว่าเนี่พระองค์เนี้ข้าพองค์ให้กรรมฐานถึงสามครั้งเลยที่แรกก็ให้ธรรมดาครั้งที่สองก็ให้ละเอียดพอครั้งที่สให้ละเอียด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 ไม่ใช่ว่ารับเอ็มพีสามวาเราเป็นหนูหัวหมูวเพียรแล้วก็มาพูด<อ>ถามนะถามนี่ถามไม่รู้จักจบจักสิน้นจะไปถามได้อย่างไรตัวเองไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนไปขนาดวิธีการเดินยังโคมวิธีการนั่งภาวนายังจะเอามาถามอีกมันจะดงว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังในเอ็มพสามหลวงพ่อสอนในละเอียดถี่ถ้วนหมดทุกอย่าง พิธีการวางตัวทํำยังไงพิธีการภาวนาทํำยังไงอย่างวิธีเดินยังกรมนั่งสมาธิทํำยังไงสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไ ร, าออะไรการกําหนดจิตใจให้สงบนั้นทํำยังไงพิธีพิจารณาการกรองไตรตองเหตุและผลนั่นทำยังไงวิธีปล่อยวางทํำยังไงพิธียึดยึดอะไรหลวงพ่อสอนไว้หมดใน MP ็เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธายาติโยรพระเนรลูกหลานทุกองคนะสรุปแล้วก็คือ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 พระองค์เนี่ยเป็นวิสัยของพุทธไม่ใช่วิสัยของสาวกที่จะสอนได้อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใครก็ตามเข้ามาศึกษากับหลวงพ่อเอผมวิสัยหลวงพ่ออินเนี่ยไม่สอนผมไม่ได้หรอกครฮะเราก็ยอมแพ้แหมไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออินถ้าใครไม่ไม่สมัครเป็นลูกศิษย์ก็จะไปก่อมหัวก่อมท้ายอยู่างนั้นลูบหัวลูบหลังลูบไหลมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินเดยเถิด หลวงพ่ออินยอมทุกอย่างเลยทั้งร้องผมร้องให้หลวงพ่ออินหัวลูกศิษย์จะหนีไปไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่ออินหรือไมนะ่ถ้าหากว่าศึกษาดูซิที่หลวงพ่อบอกแนะนำหลวงพ่อมั่นใจที่หลวงพ่อบอกกล่าวหลวงพ่อมั่นใจที่บอกท่านทั้งหลายให้พวกท่านทั้งหลายใช้แนวความคิดดูซิกําหนดดูสิภาวนาดูซิตำกิจใจอย่างนี้ดูซินะพวกท่านจะเห็นเห็น ความรู้สึกเห็นความสงบพร่มเย็นเป็นสุข เ, เมื่อสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะต้องเห็นมักเห็นผลต่อไปภายภาคหน้าไม่ล้มักผลระดับไหนละ่ะพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้เองเป็นผู้ใ ร, รับเองผลที่สุดนี่แหละหลวงพ่อให้แนวความคิดแก่ค ณ, ณะสิทธายาธิษฐ์คณะศรัทธายาตโยมลูกหลานนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์เรมโมทนาให้พร